เาช้านี้อพวกเราหลายคนนะก็คงจะเดินทางกลับบ้านกลับภูมิลําเนาหลายคนก็จุดมุ่งหมายปลายทางคือกรุงเทพเซึ่งก็ใจเดียวกับคนอีกหลายหมื่นหลายแสนคนนะที่จะเข้ากรุงเทพเหมือนกัน เ, เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอรถติดเลยนะ รถติดยาวเลยสงสัยสนะตั้งแต่โนนลำตะคองเลยมั้งอันนี้คาดดาวเอาแจงดีนะเมื่อแต่ก่อนนี้ติดตั้งแต่ดานคุณทศเลยเพราะว่าถนนนี้แค่สองเลนนะเยนนี้ขยายแล้วนะก็ไปติดก็คงจะไปติดที่ลำตะคองหรือว่าแก่งคอยแทน ถ้าเจอรถติดนะก็รักษาใจนะอย่าให้จิตตกท่องคาถาไว้นะรถติดจิตไม่ตกนะเราสามา ท, ที่นี่นะเราก็ได้มาได้เรียนรู้ได้มาฝึกปลืนะ้จิตใจของตัวแล้วเนี่ยก็ควรจะเอาไปใช้นะทันทีเลยเอาไปใช้ทันที ที่จริงก็ควรใช้ตั้งแต่เดือนนี้ไปนะอย่างที่พูดไว้เมื่อวานนะว่าเวลาเราเดินไปตักอาหารเนี่ยก็ให้มีสติรู้ตัวขณะที่เรากินอาหารนะก็ให้เห็นใจของตัวเองไปด้วย <c oughs> เวลาภาวนาเนี่ยนะมันทำได้ทุกเมื่อทันทีที่เราตื่นมานะ คนที่อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาเนี่ยพราะเขาไม่รู้จักนะว่าภาวนาคืออะไรเราก็อ้างว่าไม่มีเวลาภาวนาแต่มีเวลากินข้าวมีเวลาอาบนา้ํานะนั่นแหละคือเวลาภาวนาแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากเท่าไหร่นะเพราะว่าเรากินข้าวก็ยังมากครึ่งชั่วโมง ที่จริงเรามีเวลาภาวนามากกว่านั้นนะตอนรถติดไงรถติดเป็นชั่วโมงนะไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนนะโดยเพราะในกรุงเทพให้เตือนใจว่านั่นแหละนะได้เวลาภาวนาแล้วและจำเป็นด้วยนะเวลาภาวนาที่เหมาะที่สุดก็คือเวลาที่เรามีความทุกข์นะเพราะว่า ภาวนานัา่นแหละจะช่วยให้เราออกจากทุกข์ได้และพื้นฐานของการภาวนาคือกลับมาดูใจรถติดยาวนะก็กลับมาดูใจนะรถติดแต่ว่าจิตมันโล่งเนี่ยทำทาได้นะอย่าปล่อยให้จิตเนี่ยนะมันติดมันขัดนะทันทีที่เห็นนะรถนี่นั่งขนดัด ราติดจิตไม่ตกก็เพราะว่าเรามีสติรู้ทันนะใจของเราเห็นความหมุดหิดความไม่พอใจนะที่มันเกิดขึ้นลองมองว่ามันเป็นธรรมดาบ้างเป็นธรรมดาหรือมองว่าหรือถ้าจะมองว่ามันเป็นปัญหาก็ให้ลองนึกซะว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาที่น้อยนิดเมื่อเทียบกับสิ่งที่จะ เกิดขึ้นกับเราในวันข้างหน้านะรถติดนี่เราก็ยังอยู่สบายนะในรถก็มีแอร์เย็นชำ่ำแล้วก็นั่งเฉยๆนะไม่ต้องทำอะไรบางทีก็ฟังเพลงไปด้วยมันจะทุกอย่างไงนะมันจะทุกไปทำไมนะแต่ที่เราทุก็ใจนะใจวางไว้ไม่ถูกนะใจที่เต็มไปด้วยความคาดหวังว่าจะต้อง ถนนโลง่งหรือว่าจะต้องถึงที่หมายก่อนค่ำแล้วเราก็ยึดติดกับความคาดหวังหรือความอยากกันนั้นพอความจริงไม่ตรงกับความอยากเราทุกเลยและคิดแต่จะไปกลบนดาความจริงที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้มองเห็นความอยากความคาดหวังในใจเรานะซึ่งนั่นแหละคือตัวปัญหานั่นแหละคือสาเหตุที่แท้จริงนะคนเราทุกวันนี้ไปคิดแต่ไปแก้ข้างนอกนะ อยาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความเป็นจริงให้มันถูกใจเราแต่ม่คิดที่จะปรับใจเราให้มันถูกต้องสอดคล้องความเป็นจริงเอารถติดก็ไม่เป็นไรคอยได้นะมันธรรมดานะหรือว่าถึงแม้จะมองว่ามันเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาน้อยกว่าที่เราต้องเจอในวันข้างในเยอะนะเช่นเจ็บป่วยนะสูญเสียของรัก พัดพราดจากคนรักงนะานประสบอุปสรรคนะทรมาค้าขายไม่ค่อยดีเศรษฐกิจผืดเคืองนะอันนั้นน่ะมันคือปัญหาที่รอเราอยู่ข้างหน้าเทียบกับรถติดแล้วมันจิตบจอยมากนะรถติดเนี่ยงั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังทำใจไม่ได้นะกับการที่รถติดยังไปให้จิตตกเนี่ยนะ ข้างหน้าก็ไม่ต้องพูดถึงละความทุกข์มันรอเราอยู่นะนะรถจะติดยังไงใจเราก็อย่าติดอย่าขัดไปด้วยนะให้มันโครงมันโล่งนะผ่านตลอดนะผ่านตลอดนี่หมายถึงอารมณ์ต่างๆนี่มันผ่านตลอดนะถึงแม้ตัวเร า, ย, านะยังติดนะยังอยู่บนท้องถนนคาอยู่ตรงนั้นแหละนะแต่ว่า อารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาในจิตใจที่มันเกิดขึ้นในจิตใจมันก็ผ่านตลอดนะฝึกเอาไว้นะลองมองซะว่าเอ อ, อรถติดนี่มีข้อดีอย่างไรบ้างนะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าเราต้องปรับนะมุมมองของเราใหม่ไม่ใช่ว่าเราต้องไม่ใช่ว่าเราจะเห็น ทุกอย่างดีไปหมดอันนั้นเราไม่ได้เรียกร้องขนาดนั้นเพราะความเป็นจริงทุกอย่างมันก็ไม่ได้ดีไปหมดแต่สิ่งที่เราทำได้คือเห็นข้อดีของทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นกับเราเห็นสิ่งดีๆในทุกอย่างนะที่ปรากฏอยู่ข้างหน้าเราหรือที่เกิดกับเรารถติดมันทาให้เสียเวลานะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องนะเสียสติหรือเสียอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยนะ เสียแต่เวลานะแต่อย่าให้เสียสติเสียอารมณ์นะเราทํากันได้เพราะว่าเราเห็นว่าโ อ, อ้รถติดมันก็มีข้อดีนะมันทําให้เราได้ฝึกจิตนะได้เจริญสติได้หันมาดูใจว่าเราจะทําให้ใจโล่งหรือปล่อยวางเมื่ อ, อเหตุการณ์แบบนี้เกิด ข, ขึ้นกับเราได้อย่างไรนะหรือใช้โอกาสนี้ในการนะ จเจริญสติทำสมาธินะครึ่งนิ้ไปนะระหว่างที่ติดงก่กยอยู่บนถนนนะบางคนถนัดตามลมหายใจก็ตามลมหายใจไปกลายเป็นว่าได้เวลาภาวนาเพิ่มขึ้นอีกนะไม่ใช่ภาวนาแบบทั่วๆไปนะหรือว่าภาวนาแบบไม่มีรูปแบบนะแต่เราสามารถจะภาวนาอย่างมีรูปแบบได้นะในขณะที่รถติดนั่นแหละนะ ก็เรียกว่าเสียเวลาแต่ได้สตินะได้ความสงบอันนี้คือวิถีของคนฉลาดนะคือได้กำไรช่วยโอกาสทุกอย่างนะช่วยโอกาสทุกเวลาหรือช่วยประโยชน์นะจากทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มองเห็นข้อดีนะนะของรถติดบ้างรวมทั้งเหตุการณ์อื่นๆนะที่มันรอเราอยู่ข้างหน้า หรือที่กำลังจะเกิดขึ้นนะผู้ชาตคนนึงนะแกถามลูกขณที่รถติดนะติดยาวเลยนะติดนานทีที่กรุงเทพนะแกถามลูกว่ารถติดมีข้อดียังไงบ้างนะแกใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยอาศัยเหตุการณ์ต่างๆมาเป็นบทเรียนสอนเด็ก เป็นวิเป็นวิชาชีวิตที่ไม่มีสอนในโรงเรียนนะว่ารถติดมันมีข้อดีอย่างไรบ้างหรือว่าของหายมีข้อดีอย่างไรบ้างเจ็บป่วยมีข้อดีอย่างไรบ้างอันนี้มันเป็นคำถามในวิชาชีวิตนะที่โรงเรียนหมายไรก็ไม่ค่อยสอนแต่ว่าพ่อเนี่ยก็ใช้โอกาสตอนที่รถติดนั่แหละนะโยนการบ้านให้ลูกไปคิดนะ รถติดมีปีะโยชน์ยังไงนะลูกคิดสักพักก็ตอบว่าก็ดีตรงที่พ่อหันมาคุยกับลูกไงล่ะนะพอถ้าลถไม่ติดพ่อก็เอาแต่มองไปข้างหน้านะไม่สนใจคนในรถนะพอรถติดพ่อทำอะไรไม่ได้พ่อก็เลยนะชวนลูกคุยนะเรียกว่าสร้างสัมพันธ์หรือว่าเป็นการ เ, าเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ให้นั่นแฟนมากขึ้น เพราะธรรมดาในสมัยนี้นะพ่อแม่ลูกไม่ค่อยมีเวลาคุยกั น, นไม่ค่อยมีเวลาคุยกันต้องรีกตื่นแต่เช้าแต่พอเราติดแล้วก็โชว์การนี่แหละมาพูดคุยกันนะใช้เวลาที่ติดอยู่ในรถให้เกิดประโยชน์เนชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครวัวให้แน่นแฟ้นหรือว่าทำให้เราเป็นมิตรกับตัวเองได้มากขึ้นนะ การหันกลับมาอยู่กับลมหายใจหันมาอยู่ความรู้สึกตัวคลิกมือไปคลิกมือมาครึงนิ้วไปนะเออวลาเห็นไฟแดงนะก็อย่าหมุดหงิดขัดใจนะให้ลองมองว่ามันกําลังเตือนเราว่าให้หยุดฟุ้งซ่านได้แล้วนะให้หยุดใจลอยให้ดยุดส่งจิตออกนอกให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะนี่คือวิธีของผู้มีปัญญานะที่รู้จักใช้ประโยชน์นะจากทุกอย่าง แต่ไม่ต้องเลิ่ต้นจากการที่กลับมาดูใจนะอย่าเป็นมัวแต่มองไปข้างนอกเมื่อวานนี้ก็มีนะคนโทรศัพท์มาคนะั่มแล้วนะเดี๋ยวนี้มีก็มีคนนะมีปัญหาอะไรก็มาปรึกษาขอความช่วยจากอตรตมาอยู่เอยเมื่อวานนี้ก็มีชายหนุนะ่มเขียนมาถามว่า คนรักทิ้งไปแล้วจะทำยังไงดีนะแกอายุเพิ่งสิบห้าสิบหกเองนะใครเดนี้ใครมีปัญหาแล้วก็ต้องมาถามตาร ม, มานะตกงานบ้างละเนะจ็บป่วยบ้างละแฟนทิ้งบ้างละหลายนี้ก็เหมือนกันนะปัญหาคืออะไรก็กำลังจะนอนอยู่แล้วมีเสียงไงออวัอวยนะในะบ้านที่อยู่รอบข้างแกอยู่บ้านจัดสรร มีขโมยเข้ามาหาไหมหาตัวไม่เจอจะตกใจกันกลัวกันเลยโทรมาหาตา ม, มาบอกว่าควรโทรไปหาหนึ่งเก้าหนึ่งไม่โทรม า, าตา ม, มานะ <c oughs> ก็ตอบว่าเข้าไปนะั้นดูเขาหน่อย น, นะนะว่าเนี่ยไม่รู้จักเป็นะล่ําเวลานะีมันก็สองทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วนะแล้วก็ควรจะโทรนะไปที่คนที่ เ, เกี่ยวข้องกลั <c oughs> วอย่างตกใจ ครับเดี๋ยวนี้ใครมีปัญหาอะไรก็นึกถึงแต่พระพิศาอย่างเดียวนะก็เลยแล้วก็บอกเข้าไปว่าเนี่ยให้มาดูใจของตัวะให้กลับมาดูใจให้ตกใจอย่าลืมตัวนะให้กลับมาดูใจไอ้โจรข้างนอกเนี่ยนะมันมันน่ากลัวน้อยกว่าโจรข้างในนะไอ้โจรข้างในนี่คือความกลัวความโกรธนะพวกนี้แหละเนี่ยมันน่ากลัวกว่าไอ้โจรข้างนอกนี่บางที อาจจะไม่มีจริงก็ได้นะก็เลือลือกันไปนะจนข้างนอกเนี่ยนะแต่ว่าปล่อยให้โจรข้างในเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจเราแล้วพอไม่รู้เท่าทันโจนข้างในเนาะก็นอนไม่หลับเครียดนะบางคนความดันขึ้นยิ่งเวลาเกิดพายุฝนฟ้าขนองเนี่ยหลายคนนะตกใจจนชอกก็มี ทั้งที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกลับบ้านเรื่องของตัวแนตะ่ว่าตัวเองเี่ยเรียบร้อยไปแล้วนี่เพราะปล่อยให้อารมณ์มันเข้ามาครอบกําใจีจริงๆเนี่ยนะนอกจากการเอามาดูใจของตัวแล้วเห็นความกลัวแล้วเนี่ย <c oughs> สิ่งที่คนทําด้วยก็คือไปตรวจดูประตูหน้าต่างนะให้เรียบร้อยว่าปิดบ้านดีไหมถ้าล็อกประตูบ้านดีประตูรั้ว ด, ดีแล้วก็มันก็สบายใจได้ ไม่ใช่ตกใจแล้วโทรมาอัตมาอยาไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยนะนอกจากช่วยให้กลับมาดูใจนะีนนะ่ถ้าคนเรานี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้จักมาดูใจนะันเมันก็จะก็จะมีความหลงนะความไม่รู้ตัวแบบนี้นะแต่ก็ยังดีนะไม่เกิดปัญหามากนอกจากความกลัวความโกรธอ่ะความทุกข์นะแต่บางคนอาจจะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงกว่านั้นนะโดยเพาะถ้าเป็นความโกรธ เอาแล้วก็นะอย่าลืมนะกลับไปเอาไปฝึกนะเวลาเจอรถติดก็อย่าให้จิตตกนะให้ถือว่ า, าให้มาดูใจของเราไปนะรมันจะติดยังไงใจเราโล่งใจเราโปรง่งนะแล้วก็จะได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเตรียมรับพรอิสิตังปฏิตังตุ้มพังขออ้อธาพรที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้ว อิปามวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพภูเรนตุสังกปาขอความดำริทางพวงจงเต็มที่จันโทปนรารโสยาทาเหมือนพระจัจทร์ในวันเพนมณีโชติรโสยาทาเหมือนแกวมณีอันสว่างสวัยคนยินดีสาพพิโยวิวาชันตหวานจันไรทั้งพวงจงบำราดไป สาโรภวินาศตุโรคทั้งป่วงของท่านจงหายมาเทภาวะอันตรายออันตรายามีแก่ท่านสุขิทิขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอามีวาตนาสิเลสนจาจางุฏาปจายโนจัตตาโรธทมาวาทันติอายุวันโนสุขังภลัง สังสีปากาคืออายุวันนาสุขาพระลายอมเจริญถึงอุบพอนผู้มีปกติว่ายกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพพอวาตุสาภามงณคลังพอสาภาหมองคอนจงมีแก่ท่านราคันตุสาาเทวตาอรักเทวดาทั้งปนจงรักษาท่านสาพาุทานุภาเวน ด้วยอนุภาแห่งพระพุทตเาจาสามพาธรรมานุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสามภาสังคาอนุภาเวนด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิป ว, วันตุเตขอข้าวสวัสดีทั้งหลายยมมีแก่ท่านทุเมือเทิด